ปัญญาที่เกิดขึ้นปกติเขาก็ทำปริญญาในในกองทุกันนะเพราะว่าปัญญียีปัญญานั้นรู้อริยสัจตามสูตรทั้งในอินรียกถาในปฏิสัมพิธามัตในอินรีเนี่ยนะในสังยุตตนิกายมหาวารวัตที่กล่าวถึงเรื่องอินรีหรือที่อื่นอื่นอีก กล่าวถึงว่าสัพทินรีเนี่ยนะแม้ทั้งเนติปกรณ์สัพทินรียพึงเห็นได้ที่ไหนโสตาปฏิยังฆาตธรรมสีวิริยินรีนี้เห็นที่ไหนสัมมาประธานสีสตินรียเห็นที่ไหนสติประธานสีสมาทินรีเห็นได้ในฌานสีปัญญินรียเห็นที่อริยสัจสีอันปัญญินรียอ่ะเป็นตัวที่ทําจิต ในปริญญากิจเป็นตัวที่ทำกริจพิจารณาทุกขสัตว์วิจัยทุกขสัตว์ซึ่งการวิจัยทุกขสัตว์คำว่าทุกขในที่นี้แปลว่าไม่ใช่สัตว์มันเป็นกองทุกเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่แต่ไม่ใช่สัตว์ทุกเหล่านั้นมีเหตุเป็นแรงเกิดนะนั่นคือสมุทัยสัตว์เนี่ะเพราะว่าอุปาทานขันห้าของเราทั้งหลายเป็นผลพวงของตัณหาในอดีต ใช่หเป็นผลของอวิชชาตันหกรรมในอดีตอาศัยอาหารในปัจจุบันสำหรับผู้ที่ยังมีตันหามีอวิชชามีอุปาทานกลุ่มเหล่านั้นก็สร้างเหตุแห่งทุกข์ต่อไปในอนาคตการที่มีปัญญาเข้าไปวิจัยลักษณะนี้เรียกว่ายาตะปริญญายาตตาปริญญา นในการทำยาตะปริญญาจนถึงกับละวิปลาศได้นั่นแหละจึงจะเริ่มละสมุไทยที่ค่อนข้างมั่นคงหน่อยนะที่ตั้งแต่ทาอนุปัสนาหรืออนุปัสนาเกิดขึ้นละวิปลาดได้อ น, นั้นแหละจึงจะเป็นการข่มสมุไทยได้ค่อนข้างมั่นคงแต่ทางนั้นทางนี้ถ้าโสดาปฏิมติเป็นต้นยังไม่เกิดก็ยังไม่บริบูรณ์อะไรนะก็ยังทากิจ นะก็ยังไม่เพียงพอทีนี้ปัญญาที่จะทํากิจในการวิจัยอริยศาสตร์ได้เนี่ยนะซึ่งปัญญาเนี่ยที่เปรียบเทียบมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเจาะเรื่องอะไรมันเป็นตรวงหัวเจาะ อ, อย่างเดียวใช่ไหมสว่านอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีสว่านนะหัวเจาะดีอย่างเดียวใช้ได้ไหยไม่ได้อย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้าเป็น รถเนี่ยนะก็ปัญยินรีย์ก็เหมือนกับพวงมาลัยที่จะหันไปไหนไปไหนแต่พวงมาลัยอย่างเดียวก็ไปไหนไม่ได้เพราะนั้นสัตทินซีเนี่ยนะเบื้องต้นจึงสําคัญทีนี้สัตทินรีย์เห็นได้ที่ไหนล่ะก็ที่โสาปัฏิยังค่าธรรมสี่ประการเนี่ยนะเั้นการทําปริญญานั้นถ้าผู้อินทรีย์อ่อนเบื้องล่างอ่อนๆเลยนะศรัทธาอ่อนความเพียรอ่อนสติอ่อนสมาธิอ่อนทําปริญญาไม่ได้ ทายาตะปริญญาตีระปริญญาจนถึงปหานะปริญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวปัจจัยที่สำคัญของปัญญีซีนั้นก็คืออินซีนี่นะซึ่งอินรีเหล่านี้จะต้องคู่ควรกันจะต้องเหมาะแก่กันถ้าสัพทินรีไม่เหมาะไม่มากบุคคลนั้นก็ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากนะักถามว่าถ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า จะวินิจฉัยพระธรรมเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่จะเอาอริยสัจมาไข่ครวนมาค้นคิดมาพิจารณาก็นับไม่ยากวันสัตทินสีนี่ก็สำคัญทีนี้มาดูวิญินณสีของเขาว่าเขาเพียรมากเพียรน้อยในการทำปริญญาเลยนะพื้นฐานเขาเขากลัวภัยในอบายแค่ไหนสังเ ว, วกวาทุเขามีมากไหมเขาเห็นโทษในชาติชรลาพยาที่มรณะมากไหมอันนี้ เห็นโทษภัยของการเลี้ยงขันห้าหรือเปล่าแต่ละชาติติที่เกิดมาอย่างชาตินี้นะเห็นโทษของการเลี้ยงขันห้าไหมขันห้ากายาวานหนาคืบกว่าจะสร้างบ้านให้อยู่ได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเสื้อผ้าก็แค่ปิดหนาวปิดร้อนเป็นต้นเนี่ยขนาดกว่าจะหาให้มันได้ปิดดีพอดีที่มันพอใจนะก็นับว่ายากรูปประคั้นก็เลี้ยงยากเลี้ยงนามขันเลี้ยงยากกันนั่นอีก่นะให้หนาวมันบอกอยากได้ร้อนอีกแล้วอาหารเลยต้องมีทั้งแบบ มือเดียวกันต้องมีอาหารร้อนกับอาหารเย็นใช่ไหมถ้าข้าวถ้าอาหารบางอย่างต้องยกมาร้อนๆนะถ้าน้ําต้องใส่น้ําแข็งมาด้วยนะอย่างงี้ย น, นะจะเอาให้มันพอดีกันก็ไม่ได้มันจะต้องมีหนาวมีกระหว่ามีร้อนถ้าเป็นเกี่ยวกับผ้านะจะต้องใช้ผ้าแบบนี้มาหม่มอุณหภูมิในห้องต้องขนาดนี้เนี่ยนะสารหากว่าจะมาเลี้ยงรูปกระขันแต่จริงๆอะนะเพื่อจะส่งเสริมอสังขารขันโดยเฉพาะตันหานั่นแหละ พื้นฐานเราเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีโทษมากไหมถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในสังเวกวตถุเหล่านี้เลยก็ยากที่จะอบรมวิริยินีได้ทีนี้คนที่ภาคเพียรถ้าข้อมูลไม่พอนะเอากายจะพิจารณาว่าอย่างไรสิบสี่บพะยังนึกไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะจะพิจารณาว่ายัางไงกาย หรือเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกกันนะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดไปทํายังไงต่อไปให้มันนิ่งอ่ะนิ่งแล้วทําอะไรต่อมันก็หลับไปสิยังไงมันก็แล้วอิริยาบถบพระยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งถ้ารู้ธรรมดาใครไม่รู้บ้างเรอใครไม่รู้ว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่บ้างอเอารู้อย่างนี้เป็นสติปัฏฐานหรือ ย, ยังถ้าเป็นนะโอ้โหใกล้นิพพานเข้าไปแล้ว อาเอาเราเราก็รู้ไม่ใช่เลอว่าเรานั่งอ่ะเพราะพระพุทธพจน์บอกว่าเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งอแล้วเรานั่งเมาไม่รู้หรืออนะถามว่าถ้าเรารู้กับคนเจริญสติปัฏฐานรู้มต่างกันยังไงซึ่งไอ้ที่นั่งเนี่ยอะไรนั่งกายกายหรือกายนั่งหรือเรานั่งอันนี้ก็ชัดตอบไม่ค่อยเหมือนกันนั่นนะจะไปบรรลุได้ยังไง กายนั่งคือถาามหาภูตรูปนั่งใคร ย, ยังชั่วหนาเนะ่อ่ะแล้วมหาภูตรูปทําไมมันนั่งได้เพราะมันมีจิตเป็นสมุทฐานนะเนียแล้วมหาภูตรูปกี่สมุทฐานล่ะอ่ะแล้วจิตที่ทําให้นั่งมีจิตอะไรบ้างเจตสิกอะไรเป็นปัจจัยแก่การนั่งแล้วนั่งอย่างนี้นั่งมานานเท่าไหร่แล้วรู้อย่างนี้ไหมว่าจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานมหาภูตเท่านั้นแหละนั่งเดี๋ยวมหาภูตมันเมื่อยมันจะลุกขึ้นอีกล้ มหาพูดก็ยืนก็เดินก็นั่งก็นอนก็เป็นไปเนี่ยนะแล้วมหาพูดนี้มีตั้งแต่เมื่อไหร่อะถ้าแยกอที่ยืนเดินนั่งเนี่ยถ้าแยกย่อยซอยละเอียดเข้าไปคืออะไรก็คือผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นเนี่ยไล่ไปเรื่อยถ้ากระจายกระจายออกมาก็คือท่าสี่ถ้าขยายท่าสี่ออกไปก็คืออะไรเป็นประกินอากาศเบตเตอเลตก็คือภูตรูปกับรูปที่อาศัยมหาภูตรูปที่เกิดจากสมุทฐานสี่ แล้วมันควรจะมีอายุอยู่เท่าไหร่เมื่อเช้าคุยมากับผู้การบอกเอาไม่หมื่นปีการบอกไม่เอา <c oughs> อยู่แค่ห้าร้อยปีเด็กก็เดือดร้อนแล้วนะ <c oughs> อยู่สุขภาพแล้วมันสู้ไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยมันมันแบบทุกวันเนี่ยมันแก่แบบทุกวันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่ยนะให้อยู่อย่างนี้อีกห้าร้อยปีเนี่ยนะโหแย่เลยนะเออไอคํา <c oughs> <c oughs> ว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นโวหารนะเป็นเป็นโวหารที่เอาไว้เรียกขานกัน ซึ่งการยืนการเดินการนอนก็รู้กันอยู่ในโลกนี้สิ่งใดก็ตามที่มีการพูดถึงอยู่ในโลกนี้นะพระพุทธเจ้าจะไม่ละเลยในการพูดถึงสิ่งเหล่านั้นๆเพราะว่ามันเป็นประตูที่จะไปวินิจฉัยถามว่าวินิจฉัยอะไรก็วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องยืนเดินนั่งนอนซึ่งยืนเดินนั่งนอนนั้นตามนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มจิตตชรูปนนะเป็นกลุ่มจิตตชรูปซึ่งจิตตชรูปมันคืออะไรล่ะนะนะ จิตตะชรูปก็คือมหาภูตรูปสี่เป็นต้นเนี่ยนะที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานทีนี้้จิตตะชรูปอันนี้มันก็เป็นปัจจัยให้กายในสมุทฐานอื่นๆเนี่ยตั้งขึ้นยืนขึ้นลุกขึ้นนั่งได้นอนได้เป็นต้นเนี่ยนะเพรนะาะอาศัยจิตตะสมุทฐานเนี่ยจิตตะชรูปรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานมันทําให้กายส่วนอื่นขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเนีย่ยนะ ถ้าเหมือนก็ถามง่ายๆว่าไอ้ที่พูดเนี่ยอย่างอย่างที่อาต ม, มาพูดตอนนี้นะอะไรทําให้พูดจิตแต่สรุปเอาถ้าคอมันป่วยล่ะทําไมไม่พูดนะี่ยเอาคอป่วยนหมเรียก <c oughs> ว่าคอไม่สบายเจ็บคอเป็นต้นเน่ยนะหรือไข้หวัดเลยนะเป็นต้นเนี่ยถามว่าเอาพูดสิทําไมไม่พูดเน่ย สมมติว่าเอายกแขนเนี่ยจิตต่ชรูปทำไมมันทำไม่ยกแล้วพอตอนเป็นอมภารบอกยกสิแล้วทําไมมันไม่ยกล่ะเพราะว่าในที่นั้นๆมันมีทั้งสมุดฐานสี่แต่ถ้ า, าจิตต่ชรูปมีกําลังมากเป็นตัจใจก็จะสามารถทําให้รูปอื่นๆเป็นไปได้แม้กระทั่งถ้ากรรมมชรูปมันมีกําลังมากนะเช่นกรรมมชรูปเสียหายมากนะจิตต่ชรูปแน่ขนาดไหนก็แน่เถอะ มันก็ยกไม่ขึ้นหรอกถ้าอาหารชรูปมากเกินไปอ้วนจนลุกไม่ขึ้นห ร, หรือขาดอาหารจนหมดเรี่ยวมดแรงอ่ะนะเดินก็ไม่ไหวอีกนั่นแหละเพราะนั้นคือมันมันสัมพั์กันเพราะฉะนั้นคำว่ารูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นโวหารกาถาที่ที่เอาไว้คุยกันแต่ก็มีคนที่ไปสำคัญหมายว่าจริงเข้าอ่ะนะจริงๆแล้วอ ะ, อะไรยืนเดินนั่งนอน เธอมหาภูติรูปมันมันมันตั้งอยู่แบบนี้เรียกว่ายืนมันขยับแบบนี้เรียกว่าเดินมันขยับแบบนี้เรียกว่านั่งถ้ามันเหยียดเหียดแบบนี้เรียกว่านอนอย่างเงี้ยก็ก็คือมหาภูติรูปคือคือถ้าพูดให้เต็มเลยนะมันเป็นคำลัดก็ได้รูปที่เกี่ยวกับการยืนรูปที่เกี่ยวกับการเดินรูปที่เกี่ยวกับการนั่งรูปที่เกี่ยวกับการนอนลัดไปลัดมาก็เลยเหลือรูปยืนเดินนั่งนอนเลย มันเหมือนกับไอ้ภาษาไทยเราพูดนะสมุทยังฆ่าอัฐังขม้าเหตุเกิดความดับเราก็เลยใช้ย่อๆมากกับเกิดดับเนี่ยนะมันก็อะไรที่มันย่อๆเกินไปมันก็ทําให้เข้าใจผิดไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรียกเต็มโวหารคาถาเขาเต็มก็คือรูปที่เกี่ยวกับการยืนรูปที่เกี่ยวกับการนั่งรูปที่เกี่ยวกับการนอนทีนี้ในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนอะไรยืนเดินนอนกันนอนกันแน่ ก็คือมหาภูตรูปสี่ที่เกิดจากสมุธฐานทั้งสีที่ประชุมกันเอาแล้วทําไมมันไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนตามที่เจตนารมณ์ของมันไปเลยอะ่ะก็เพราะว่าการยืนเดินนั่งนอนมันมีจิตตะชรูปเป็นปัจจัยที่สําคัญจิตตชรูปไหมแล้วจิตตชรูปเกิดจากอะไรเกิดจากจิตแล้วจิตเกิดจากอะไรเกิดจากนามรูป มันก็ความคิดที่เกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นจิตอันนั้นเนี่ยในอุปาทขณะมีกําลังเป็นอินทรียปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะคือจิตในชาวนะในมโนทวารวิถีที่มีกําลังเกิดขึ้นก็ทําให้จิตตชรูปยังขึ้นยังยังจิตตชรูปให้เกิดขึ้นจิตตชรูปอันนั้นแหละทาให้จิตตะชาวาโยเนี่ยแผ่ไปทั่วสารพางกายก็พัดเนี่ยทําให้มหาภูตรูปเนี่ย นั่งถ้าดูหนังผีมาม า, มากว่ามันนั่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะมันไม่มีกรรมไม่ใช่มสมุทฐานอย่างนั้นนะแต่ที่มันดูมันนิ่มนวลอ่อนนวลเป็นต้นก็เนื่องจากว่ามันอยู่ด้วยสมุทฐานสี่เนี่ยน ะ, ะก็ก็เป็นไปอย่างนี้ยนั้การยืนการเดินการนั่งการนอนทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้ก็อาศาษาษาัยจิตตชรูปเนี่ยนะอ่าถ้าเรียกเต็มๆนะะเรียกว่าจิตตะรูปเกี่ยวกับการยืนเกี่ยวกับการเดินเกี่ยวกับการนั่งเกี่ยวกับการนอนทีนี้ก็ ชาวหลังๆมาก็ลัดให้มันสั้นเข้าก็เลยเรียกย่อๆรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนแต่ทีนี้ไอ้คนที่สุดตรงในว่ารูปมันต้องมียี่สิบแปดงั้นก็มีรูปที่ยี่สิบเก้าสก็ได้อะไรรู้ไหมไม่วางมวยมันก็ดีแล้ว <c oughs> อ น, นิี้ส์ก็คือการทะเลาะกันเนี่นไงก็บางคนเขาพูดแบบลัดๆก็เข้าใจแบบกับเข้าแบบลัดๆเธออันไหนก็พอรู้กันก็รู้กันไปเถอะนั่นนีเรียกว่าอะไรนะอุปจาระคถา แต่แว่าแต่ถ้าไปสําคัญผิดเข้าเนี่ยอรู้กันนี่แหละมันพลาดกันมาเยอะแล้วนึกว่ารู้กันที่ไหนได้ใช่ไหมในชาดกเขามีอยู่เรื่องหนึ่งไอ้นางกินรีเนี่ยเห็นดอกไม้ฝั่งโน้นมันสวยก็นึกว่าสามีรู้กันจะเดินตามไปที่ไหนได้ผัวไม่ไปด้วยเมียก็เก็บอยู่ฝั่งโน้นกลางคืนน้ําก็ท่วมมาเลยอยู่คนละฝั่งร้องให้ถึงกันทั้งคืนก็บอกว่าเวลาฟ้าแลบมาเห็นหน้ากันก็หัวเราะที ความไม่แล็มันนะมึดร้องไห้กันทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้กันอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเ่ยนะอันนี้รู้กันเรื่องว่าผัวจะไปตามที่ไหนได้ก็ไม่ไปอ่ะเนี่ยนะ